ตัณหาอันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ซึ่งด้วยตัณหาั้นเองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมห่อหุ้มไว้ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุดรงังนกนุ่งนางเหมือนพงหญ้ามุนชะและปะปะชะจึงไม่ล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปได้ นี่คือในการเปิดธรรมที่ถูกปิดเอพิโซดที่87ครับท่านในวันนี้เราพูดถึงเรื่องตันหาที่มีธรรมชาติเหมือนกับเป็นเหนียวเหนียวนินนิยืดปายแผ่สั้นได้แล้วก็ตอบคำถามของคุณเพลินตาด้วยอ่ามาพระไพบูลอ่ะพี่ปุณโญก็มาพร้อมกับคุณหมอรัตพงศ์ครับกลาบน้มันสการ์ครับกับผมทันตแพทย์นัตพงศ์กนกวิรุณครับเรามาพบกันอีกแล้วในเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่87ดสิบเจ็ดครับก็ที่ได้พูดไปพุทธวัจนะตั้งแต่ตอนต้นรายการ ครับเรื่องตัญหาะคระับเรื่องตัญหาใช่ออที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนนูน้นในที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกมากที่อุดรธานีใช่ไหมที่วัดเนี่ยนะอืที่กรุงทเทพก็ตกเยอะครับท่านอืแล้วก็อพอมันลมแรงเนี่ยมันก็พัดไอ้รังนกเนี่ยที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยล่วงลงมาหลาย ร, รังเลยเราเห็นแล้วก็คิดโอ้รังนกนี่มันยุ่งเหยิงจริงเลยทําให้นึกถึงพระสูตรนี้ อ๋อมันเป็นหญ้าใบไม้พันกันยุ่งเหยิงใชเ่เป็นใบไผ่ใบไม้เป็นโอ้ยเยอะแยะเลยอยู่ใน น, นั้นขนนกคนอะไรก็มีครับอืยุ่งเหยิงไปหมดนะแล้วก็อความยุ่งเหยิงตรงนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะของการที่สัตว์เนี่ยถูกเกาะเกี่ยวผูกพันแล้วก็เลยอิลุงตุงนังไปหมดอืเกาะเกี่ยวผูกพันนี้ก็คือด้วยอํานาจของตันหา เรามามาพูดถึงพระสูตรนี้กันก่อนทำไมถึงต้องพูดพระสูตรนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทํางานของจริงของเรามากทีเดียวอันดับแรกก่อนพระเจ้าบอกว่าตันหาเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนเครือข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์เครือ<ม>ข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์นะเหมือนตะข่ายเนี่ยเรายโยนไปหวานแหบไปอย่างเงี้ยนะมันจะต้องอยู่ในนี้นีพระเจ้าพูดถึงเจ้าพวกทิศเหนืิบสอนี้ด้วยว่าเหมือนเครือข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์ นะคือความเห็นของคุณโผลมาตรงไหนไม่เกินจากเครือข่ายนี้นะถ้า ค, คุณจะคิดเรื่องอะไรทําอะไรมันอยู่ในตัญหาถูกตัญหารัดรึงไว้หมดมแล้วธรรมชาติของตัญหาเนี่ยหมอระพงก็มีรธรรมชาติไหลนองแผ่กว้างถ้าเราครเคยเรียนแผนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการทำการทดลองโดยเอากระดาษกรองนะแล้วก็เอาสีหยดใส่ลงไปเนี่ยมันจะซึ ม, มซึมซึมซึม ซ, ม ซ, มซึมไป แผ่ไปทุกทิศทางอ่าสีนี่จะแยกเป็นสเปกตรัมออกมาอ่าใช่ครับอ่าเราสีผสมอาหารหรือสีย้อมผ้าก็ได้ใส่ลงไปนะทีนี้ถ้าบอกว่าใครไม่เคยทําการทดลองนี้ก็ลองเอางี้ก็ได้เอากระดาษมาอันหนึ่งเอากระดาษที่ชั่วธรรมดาเนี่ยนะหมอละวงครับแล้วเราก็เอาน้ำเปล่าเปล่านี่แหละหยดลงไปหยดไปหยดเดียวพอครับเราจะเห็นความที่น้ําเนี่ยมันซึมไปตามแผ่นกระดาษที่ชู่วไปได้ครเนี่ยมันซึมไปแล้วก็แผ่กว้างไปอย่างนี้ ตัณหาเนี่ยแหละมีธรรมชาติอย่างนี้จุดเดียวมันแผ่กว้างไปเลยนะ<ม>ในพระสูต์นี้ที่ได้เขียนไว้ในโพสก่อนหน้านี้ด้วยถ้าก็ไปดูเอาด้วยละกันนะเพราะว่าเพื่อเป็นการประกอบกับการอธิบายพระสูนนี้ว่าที่ลักษณะแผ่กว้างเนี่ยทำไมเราถึงถูกรัดรึงไว้หมดทุกทางพระเจ้าพูดถึง1 0ึ่งรทางที่เราจะถูกมันรัดเอาไว้ครับคือแบ่งอันแรกก่อน นะว่าเป็นขันที่เป็นภายในกับภายนอกแยกเป็น2ก่อนนะแล้วแต่ละขันเนี่ยยังแยกเป็นอีก18แนะแยกเป็น18แนะแต่ละขันนะคือมี5ขันนะขันเนี่ยคือ5ใช่ั้ยแล้วก็เป็นภายในภายนอกก็เป็น10ถูกไหมแต่ละขันเนี่ยยังถูกแยกออกเป็นอีก18บนะนี่มีอะไรบ้างนะเพราะว่าอาศัยความที่เรามีตันหาแค่อันเดียวนะมันยังแยกออกเป็นขันภายในภายนอกแต่ละขันมี10 ว่าเรามีเราเป็นเอาแค <K> ่ทรงผมทรงผมทรงผมนะถ้าไม่ใช่พระหรือเป็นพระก็แล้วแต่พระก็มีทรงผมพระใช่ไหมทรงผมอยู่สั้นๆทรงผมนี่ถ้าเป็นขันภายในของตัวเราถ้าทรงผมคนอื่นเป็นขันภายนอกของเขาเป็นทั้งรูปประขันเขาเป็นทั้งสัญญาขันของเขาใช่ไหมถ้าเรามีความไปจับยึดว่าเอ้นี่ทรงผมเป็นอย่างนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไปจับยึดกันว่าเอ้ยต้องทรงผมบังเกอร์นะ ทรงผมบังเกอร์ <B ank> er> สมัยก่อนครับหรือมีสมัยหนึ่งต้องเป็นเหมือนกับปีกแบงค์าบอยู่ข้างหลังปีกแบงทับอยู่ข้างหลังอืผู้ชายครับนับ้นมันก็คือจึงมีความว่าเรามีเราเป็นขึ้นมารเรามีอยู่ยเป็นอยู่อ่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นครับอนี่คือเรื่องของแค่ทรงผมเพอทรงผมเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหมาลํอพอก็ต้องมีการจัดยึดว่าอ๋อพวกนี้ก็อยู่พวกเดียวกันอืม เป็นพักพวกกันพักพวกกันต้องทำผมตรงนี้ครับนะหรือพักพวกเดียวกันต้องใช้โทรศัพท์แบบนี้โทรศัพท์อื่นไม่ได้นะก็จะเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วต้องไปแสวงหาอะไรต่างๆก็มีใช่ครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าใครใครเคยดูหนังสมัยก่อนนะหนังรามเกียรติ์สมัยเด็กๆอาจจมาจำได้เอที่พระรามเนี่ยจะมีสอนของพระรามอยู่รามเกียรตินะนะสอนของพระราม สอนของพระรามเนี่ยประหลาดมากสมัยนัย้นมาเป็นเด็กก็นึกอยู่เอ๊ะทำไมมันเป็นสอนที่ไม่มีสายไม่มีเชือกขึงอะ น, นะแล้วลูกดอกก็ไม่มีนะก็พอมาดูในหนังเนี่ยก็เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเวลาเขาดึงคันสอนเนี่ยพระรามต้องการดึงคันสอ น, นเป็นเป็นสอนที่เป็นสอนทิปอะนะ ค, คือต้องการจับปุ๊บมันมีโผล่มาเลยเป็นแสงแสงเหมือนแสงเลเซอร์เนี้ย<อ>แล้วสายะอะไรต่างาก็ขึ้นมานแล้วก็ง้างยิงใบพั่วดอกเดียวเนี่ยนะกระจามันแตกออกมาเป็น เป็นพันนดอกแล้วก็ซัดใส่กองทัพของตทศกานตายหมดด้วยลูกศรเพียงดอกเดียววิเศษมากเลยนะสอนวิเศษนะถ้าใครเคยได้ฟังตอนเอพิโซดที่สิบสี่แล้วมั้งสิบาหรือสิบสี่เนี่ยพูดถึงจูนงใช่ไหมสิบสี่ครับที่ฝ่าทัพของกังตังได้ด้วยลูกกับทันเพียงลูกเดียวอันนี้เหนือกว่านั้นอีกนะของของสอนพระรามนี่เหนือกว่านั้นทีนี้ตันหานี่เป็นลักษณะของลักษณะเนี่ย ตัณหาผู้ชาเปรียบเหมือนกับเป็นลูกศร น, นะที่มาปุ๊บเนี่ยแล้วมันซึมแผ่กว้างไปครับพิษของมันแผ่แน่นอนเป็นอวิชาพิษของมันดอนแน่นอนแต่พิษของมันที่ออกซึมซาบอยู่ในตัวเราเนี่ยจะออกฤทธิ์นะก็ต่อเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะออกฤทธิ์ขึ้นมาอืมอ่ยอยายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราขับร ถ, รถไปขับรถไปนะครับเจอมลพิษ ป, ป่าหน้าป้าบขึ้นมาปุ๊บ นะเจอมเร์ไซค์ปาดหน้าปุ๊บเนี่ยจี๊ดเราเราก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจี๊ดนะหมอละพงศ์สมมติโดนมอตอร์ไซปาดหน้าปุ๊บแล้วจี๊ดขึ้นมาเนี่ยนะจี๊ดขึ้นมาถามว่าหยุดหยุดยุดตรงนี้ก่อนที่จี๊ดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันออกอาการแล้วนะใช่ครับมันมันคือออกอาการให้เราเห็นแต่ก่อนที่มันจะออกอาการคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณโดนพิษอยู่ข้างไหนคือพิษมันมีอยู่แล้วคุณถึงออกอาการเอ๊ะแล้วเราไปโดนลูกศรแทงตอนไหนคุณจําได้ไหมจำไม่ได้เลยครับ เราต้ไม่ได้เลยตอนไหนจะเล่าให้ฟังครับนะคือเรามีความจับยึดไปแามอํานาจของตันหาอยู่แล้วว่าเฮ้ยที่ถูกกฎจราจรต้องเป็นอย่างนี้อ๋อถูกกฎจราจ ร, รนี่คุณถูกแทงแล้วดอกหนึ่งแต่ไม่รู้สึกตัวอืมนะข้อที่สอ ง, งมรายมรายาทมารยาทในการจราจรมรารยาทในการจราจรมอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อยู่ขวาคุณโดนอีกดอกหนึ่งแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวนะตอนนั้นตอนที่โดนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วอ ร, รถนี้เราเพิ่งซื้อมาใหม่ๆ คุณโดนอีกดอกหนึงแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้นต่อรถของคุณนะเราพึ่งมีอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างนี้หนึ่งในสี่แข้อเลยหรือขอให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะขอให้เรารถเราเป็นอย่างนี้แต่นี้มันทําความเสี่ยงกับคุณภาพชีวิตของรถเรามันเลยจีนขึ้นมาครับตอนนั้นคุณโดนสองแทงแล้วพิษแล่นแล้วแต่ยังไม่ออกกันครับหลายดอกแล้วนะครับทีนี้เราเราเห็นปุ๊บอ้าวมันตํารวจก็ไม่เห็นทําอะไรเลยเออ่าโดนอีกแล้วเพราะคุณคิดว่าตํารวจต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็แล้วก็ไปคิดถึงตํารวจชั่วๆนี่ตํารวจมันเป็นอย่างนี้ที่บ้านตํารวจฉันก็เป็นอย่างนี้คุณโดยอีกดอกแล้วนี่น้ำไปกี่ดอกแล้วเนี่ยหมอแล้วพงศ์ห้าดอกเจ <7 S 1> ็ดอกแล้วไหมเนี่ยห้าหกเจ็ดอกแล้วนะครับเออแล้วก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ต่อๆไปว่าโอ้ยถ้าบ้านมืองอย่างนี้เราจะเป็นยังไงคนไม่มีวินัยอย่างนี้โดยเจ็ดแปดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไปติดยึดในความที่ถูกต้องคุณคิดว่าสิ่งนี้ถูกคุณจึงยึดนั่นคุณถูกแทงแล้วนะครับคุณถูกแทงแล้วแต่คุณไม่รู้ตัว อืมพิษก็ออกแล้วแต่คุณยังไม่ออกอาการจนกระทั่ง ม, มันเริ่มเป็นไปอย่างอื่นอย่างที่เราหวังมันจึงออกอาการขึ้นมาครับหมอแล้วผมเข้าใจนะอันนี้ตัวอย่างที่เข้าใจครับหรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งพูดถึงนักการเมืองมีคนดานาค่านักการเมืองขึ้นมาครับดาวทีวีเลยอืมเออทีนี้พอดาวทีวีปุ๊บนักการเมืองดา่นานักการเมืองคนที่เราชอบนะครับเออเราเราได้ยินปุ๊บมันมันก็จี๊ดแต่สิ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวอันนี้พูดถึงดาวออกทีวีเนี่ยอมันตรงที่ว่าพอเรามีความจับยึดในสิ่งต่างๆด้วยอํานาจของตันหาแล้วนี่คือในจิตของเรานะเพราะรรด้วยอํานาจของตันหาเนี่ยเราจึงอยากให้อดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นคุณอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนี้ด้วยโอ้โหใช่ครับอ่าอย่างสมมติว่าเรานั่งไปด้วยกันเอากลับมาที่ตัวอย่างของการขับรถครับแล้วถูกมาแสรปหน้า เราก็อยากให้คนข้างๆเราเห็นด้วยเราก็อยากให้ตํารวจเนะี่ยมันเห็นด้วยกับเราแล้วก็อยากให้คนในชุมชนนี่เห็นด้วยกับเราแล้วก็ไปประท้วงนะไปตามล่าหายคนนี้มานหนะเอาไปคุยกับเจ้าพนัก ง, งานกรุงเทพมหาคนครเอาเอากล้องวงจรปิดมาดูมันเป็นใครดูทะเบียนไปตรวจสอบโอ้โห oh, เป็นเรื่องหมดเลยนเนี่ยใช่ครับเพราะว่ามันไปจับยึดหมดเลยโดนโดนโด น, โด น, โ, ดนโดนหมดเลยอืแล้วทีนี้ตรงนี้นี่คือตัวเราเราต้องการอยากให้คนอื่นดูด้วยทีนี้พอมัน ออกมาทางาสื่อยิ่งเป็นคูณ2องมากขึ้นอีกคือหมายความว่า อ, อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติด่ากัน2คนอย่างเงี้ยสมต ม, สมติมีคนมาด่าเราเราว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่อย่า ง, ง น, น, า น, นั้นนี่เราโดนดอนดอกหนึ่งนะพอมีคนมาด่าเราว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เราเป็นอย่างนั้นเราก็จะโดนแล้วดอกที่1นึ่งทีนี้ถ้ามาด่าเราต่อหน้าคนที่เรารักเช่นสมมุติเราไปจีบสาวคนนี้อยู่ มีคนอีกคนหนึ่งมาด่ากลางโต๊ะอาหารด่าให้ผู้หญิงที่เรากำลังจีบอยู่ค่ะหน้าเลยโอ้โหมันยิ่งทุกสองเท่านะใช่ครับเพราะเรากําลังคือถ้าด่าเราคนเดียวยังไม่มันก็ยังทุกอยู่แต่นี่มันด่ากับตอหน้าคนที่เรารักโอ้โหมันจะไหมแรงแรงครับแล้วทีนี้แล้วยิ่งไปด่าในที่สาธารณะที่มีคนอื่นฟังอยู่ด้วยโอ้ยมันยิ่งปีกขึ้นมามากจริงครับแล้วถ้าไปออก YouTube หรือออกทีวีโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้อไปทั่วเป็นล้านล้านคนดู มันยิ่งปี๊ดขึ้นมาอีกมากเลยอืเพราะเพราะตัณหาเนี่ยมันเข้าไปจับยึดเสร็จปุ๊บเราเลยต้องการมีความคิดว่าเฮ้ยคนอื่นต้องเป็นอย่างนี้ด้วยครับขอให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอ ม, มันโดนทุกทางมาแล้วพงศ์ใช่ครับกับ<ๆ>ดักเนี่ยเราวางเอาไว้ตัวเราเองคนเดียวอย่างเดียวแล้วมันแผ่ซ่านไปนี่ซ่านไป จนกระทั่งเราถูกรัดรึงเงื่อนอยู่ตรงไหนหาไม่ออกครับหมอนภูมมีพวกไอหูฟังวิทยุอะนะมีครับมีรถหูฟังเสร็จปุ๊บเราใส่เข้าไปในกระเป๋าหมุนครับออกมาโอ้โหมันพันกันยุ่งเลยนแค่เส้นเดียวนะใช่ครับแค่เส้นเดียวเส้นเดียวนี่ก็เรากำลังพูดถึงปัญหาที่มีลักษณะเป็นร้อยแปดแล้วมันพันกันนะเราโอ้เราอีลงตรงนังมากหาต้นหาปลายไม่เจอใช่ครับ หรือว่าเรารักใครสักคนในคนหนึ่งในกรณีผู้ชายไปฏิจิบผู้หญิงหรือผู้หญิงไปฏิจิบผู้ชายก็ตามอืหรือว่าในกรณีแบบรักเพศเดียวกันก็ตามนะครับคือพอเรารักใครสักคนในคนหนึ่งปุ๊บณวินาทีนั้นคุณถูกแทงล้วคุณยังไม่รู้ตัวนะคุณยังไม่รู้ตัวคุณมีตัณหานะทีนี้ว่าตัณหาที่เกิดขึ้นนี้พอถูกแทงปุ๊บเราก็พยายามที่จะสร้างภาพเราพราะเราถูกแทงปุ๊บว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ เรามีอยู่เราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกา ร, รว่าขอให้เราเป็นอย่างนี้ด้วยคือสมมติเราไม่ได้เป็นหรือเรารเป็นก็ตามเราก็ขอให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้ด้วยเช่น<า><อ>ว่าฉันต้องหล่อฉันต้องดีฉันต้องรู้ฉันต้องเลิศฉันต้องเนี๊ยบเสร็จแล้วเธอต้องคิดว่าฉันเป็นอย่างนี้ด้วยนะโอ้ใช่ครับคุณถูกแทงแล้วสองดอกสองดอกสองดอกนะนะครับเออทีนี้ถเออถ้ามีคนอื่นคนอื่นมาด่าครับ โอ้พิดออกทันทีขึ้นถูกแทงปุ๊บนี้พิดออกแน่นอนพิดออกแล้วมันจะออกการเมื่อต่อเมื่อมีคนอื่นทำให้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถามว่าอันนี้คือขันในภายในนะที่ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ขันในภายนอกคือคี้คิดว่าสัญญาในจิตของคนอื่นนะว่าเขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดหมายถึงว่าเขาต้องคิดว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดอย่างนี้นะเพราะนั้นความทุกข์มันจึงมากขึ้นเท่าเป็นทวีคูณ ด้วยการที่มันขยายออกไปอย่างนี้ซึมซาบออกไปซึมซาบออกไปครับถ้าพูดถึงตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับอย่างความตันหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างลูกกับพ่ออย่างเงี้ยลูกพ่ออยากให้ลูกเป็นอย่างนี้สมมติพ่อเป็นนักกฎหมายครับนะอยากให้ลูกเป็นนักกฎหมายด้วยเหมือนตัวเองที่เป็นครับแต่ว่าทำไมลูกพูดน้อยลูกต้องพูดมากๆหน่อยเป็นนักกฎหมายนี่ลูกพูดน้อยไม่ได้นะก็ถูกตอนที่ตัวเอง คิดว่าลูกต้องเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณถูกแทงไปล้ดอกหนึ่งนะครับทีนี้พอตอนทําให้คุณคิดต่อไปว่าอ๋อลูกเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อีกหนึอดอกตอนแรกเออนั่นคือดอกที่สองนะครับผมแต่พอลูกเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงถูกพิดนี้ออกอาการล้ครับมันคิดไปต่ออว่าอา้าวถ้างี้อนาคตจะทํายังไงอ่ะจะหาเงินยังไงถ้าบอกว่าพูดน้อนอนแล้วจะเป็นนักกฎหมายได้ยังไงอืมใช่ครับอแล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะทําไงอีกเราก็เที่ยวจะไปหาเรียนพิเศษ ลิมพิเศษไม่ ม, ไ ม, มีสอนอ ย, งงยิ่งถูกอีกนะเรวก็จะคิดต่อไปว่าเอาแล้วแต่แต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นนักกฎหมายหมดแล้วลูกเป็นอย่างงี้มันไม่ได้นะมันต้องหาวิธีแก่คนะุณเขาก็จะคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยิ่งถูกแทงถูกแทงถูกแทงคตัวเองไม่รู้เรื่องเลยอืมอันนี้อันตรายมากนะครับอืมหรือโถ้าถ้ า, ถ า, ถาไม่สามารถตัดวงจรนี้ก็จะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆ เ, เลยไปเรื่อยๆ เ, เลย อันนี้คือคเป็นลักษณะของการวางกับดักไว้ให้ตัวเองครนะคือตัวเองถูกกับดักอยู่นะคือหมายความว่าอาการที่คิดเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ต่อไปเนี่ยนะแล้วก็โดนโดนโดนโดนทิม่มโดนแทงหมดเนี่ยบางคนตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดนะคือคมาทุกเมื่อ3วัน4ี่วันผ่านไปแล้ว<อ>คือหมายความว่าวันแรกทีเ่เราโดนแทงเนี่ยเราไม่รู้ตัวงไงแล้วพอพมันเริ่มออกอาการเนี่ยก็ก็ทุกอยู่ แต่พอสองสาวันผ่านไปยิ่งทุกข์หนักเพราะว่ามันความซึมซาบของมันเนี่ยมันเริ่มซึมไปเยอะไง<ม>ถ้าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมรรพงศเวลาเขาหยดสีใส่ลงไปด้วยนะหรือว่าเราเอาน้ําหยดลงไปในกระดาษทิชชู่เนี่ยแล้วหยดลงไปปุ๊บเนี่ยอ่าเราจะพบว่าพื้นที่ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าทวีคูณคือถ้าเป็นกราฟก็เรียก exponential นะพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะมันเพิ่มออกไปเป็นรัศมีแยกออกไปแยกออกไป ครับคือแค่หนึ่งวินาทีแรกเนี่ยมันเพิ่มแค่นี้อีกหนึ่งวินาที่ต่อไปโอ้โหมันเพิ่มเยอะกว่ามากเช่นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นอะไเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่าความที่พื้นที่มันมันเป็นเป็นวงกลมมันเลยแยกออกไปรัศมีมันมากขึ้นเหมันกับพื้นที่มากขึ้นใช่ครับตรงมทิศทางทําให้เรายิ่งทุกข์มากนะเวลาผ่านไปมากอืองสามวันแรกไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ทุกนิดเดียวน่อยเฮ้ยกระเทือนใจสามสี่วันต่อไปเฮ้ยทำไมมันทุกข์ขนาดนี้วะหมอได้บอกไหมยิ่งคิดยิ่งทุกข์ ยิ่งแคดมากสามันไปแล้วถึงก็รู้สึกตัวครับอืมอ่าแล้วก็อย่างอย่างตัวอย่างพวกเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้พอเราจะเห็นได้นะว่าไอความจับยึดในในสิ่งต่างๆเอาขันตั้งห้าเลยครับนะบบมันมีได้หมดหมอหลวงผมไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับอ่อย่างบางคนชอบดาราคนนี้โอ้ยดาราคนนี้สวยจังฉันต้องการให้หน้าฉันเป็นอย่างนี้ ค, คุณไปจับยึดขันในภายนอกละ คือหน้าของดาราคนนี้ครับฉันก็เลยไปฉีดบอท็อกซ์เพื่อให้หน้าฉันเป็นอย่างนี้ตึงเด้งตึงเด้งว่าหน้ามันต้องคอนทัวร์มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องคล้ายๆดาราคนนี้นะไปฉีดเสร็จอันนี้คุณก็ถูกแทงละแต่ทีนี้บางทีมันมันไม่ตึงให้หรือมันตึงคนละแบบนะเขอาการทันทีความพิษที่ออกนั้นอยู่ในอาการตรงนี้ทันทีนะแล้วก็ คิดต่อไปอีกโอ๊ยทำไมทำเป็นอย่างนี้เอาแก้แก้ด้วยการาชีดเบตอคซ์แก้ด้วยการผ่าตัดผ่าตัดก็ไม่ดีขึ้นเอาฟ้องหมอเอาเป็นเรื่องเวลาไปอีกมันสืบเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ไหลนองมีสภาพแพร่ซ่านไปอย่างนี้อแพร่กว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นเครื่องดักสับเป็นอย่างนี้นะ อ, อ, อ, อย่างถ้ากรณีของพระพเจ้าอ้าวยกท่านระชาขึ้นมา ถ้าเรามีความรักในพระพุทธเจ้าความรักเลยนะครับความรักมากเลยพระพุทธเจ้าตอนนี้คุณถูกแทงคุณไม่รู้ตัวนะรเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคือความศรัทธาธรรมดานะแต่จริงมันคือความรักนะครัับมนเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันคือความรักที่เป็นอำนาจของตันหาคุณดูสิเวลาที่เขาเอาพระพุทธเจ้าไปทําบุฎ ด, ดาบาหรือว่าไปทําเก้าอี้เดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าแต่เป็นเก้าอี้ก็มีนะ อ๋อใช่ใชคนที่ไม่ใช่นับถือทางพุทธนะครับ แ, แล้วก็เอาชื่อพระเจ้าอย่างเงี้ยเอาพระตัรูปแรงต่างไปไว้ในบาไปในภาพในเทคเนี่ยนะที่เขามาเดินกวนให้ปิดให้ปิดกันเน่ยอ๋อมีมีมครับคือตัวเองเนี่ยมีความรักในพระเจ้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยจี๊ตรงนี้ขึ้นมาเ<น>พราะออกอาการเมื่อมีคนอื่นมาทําอย่างที่เราไม่ต้องการให้เป็นครับเพราะเรามีความคิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นอยู่อย่างนี่งนี้นะพอมันไม่เป็นขึ้นมาออกอาการทันที คิดเลยคิดทันทีนะเ้วก็ถามว่าคําถามตรงนี้คือว่าเอแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะไม่คิดได้เลยเหรอเราจะไม่ไม่ต้องคิดอะไรไหมหรือว่ายังไงอใช่ครับตรงนี้แหละหรตรงนี้แหละหมอท่านพงศ์คิดดูนะเอาอย่างกรณีผมขับรถยนต์นะตั้งแต่ตอนที่เราถูกตอนนั้ น, นมีความคิดว่ากฎจราจรต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องมีวินัยอย่างนี้รถชั้นซื้อมาใหม่ตำรวจต้องเป็นคนดีและตำรวจต้องคุ้มครองประชาชนพวกนี้คุณถูกแทงถูกแทงถูกแทงถูกแทงหมดแล้วนะ ทีนี้พอคุณถูกแทงอย่างนี้แล้วพิษออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่ออกอาการเฉยนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถามว่าเราถูกมอเตไซค์ปาหนะ้าปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเราจะไม่ต้องคิดได้ไหมหรือเราควรจะคิดหรือเราควรจะทำอย่างไรและประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ว่าพอเราอยู่ในอํานาจของตัณหาเนี่ยตัณหามันอยู่รัดเริงเราอยู่นะพอมีอะไรมามาทําให้มันขัดใจปุ๊บตรงนี้เนี่ยน ะ, ะจิตเนี่ยมันก็จะไปคิดเขาเรียกว่า มีความนึกไปตามอำนาจแห่งตันหาอ่าทราอีกครั้งหนึ่งนะพอเรามีความนึกไปตามอำนาจแห่งตันหาแล้วเนี่ยไอความที่ตันหามันพาเราไปนึกเนี่ยนะมันแรนดอมเลยมันไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะดีหรือมันจะชั่วแต่ที่แน่ๆนะที่แน่ๆอันต่อไปเนี่ยมีผลมาจากอันนี้สมมติว่าเริ่มต้นตรงนี้สมมุติว่าอันนี้มันโกรธแล้วอันต่อไปก็จะมีแต่โกรธกับโกรธ อืมมากขึ้นมากขึ้นอ่ามากขึ้นหรือน้อยลงหรือยังไงก็แล้วแต่แล ะ, และนอกซะจากว่าคุณต้องมีอะไรที่มาเป็นเครื่องระลึกถึงไม่ให้จีของเราเข้าไปอยู่ในแดนลบอืมอันนี้คือเรื่องโกรธนะเอาเรื่องโลภล่ะนะถ้าเรามีตันหาคือความจับยึดในขันอันเป็นภายนอกเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะเราก็จะเกิดความนึกคิดไปตามอํานาจของตันหาว่า ฉันจะต้องมาใช้ในตอนนี้ฉัจะต้องใช้แอปนี้ฉัจ ะ, จะต้องใช้อย่างนี้ฉัจ ะ, จะต้องเป็นอย่างงาั้นแอปนี้ทำให้ฉันลดความอ้วนได้อันนี้ทำให้ฉันฉลาดขึ้นเคสไปนู่นละครับด้วยอํานาจอะไรความเพลินปัญหาครับปัญหาคือความเพลินนั่นแหละครับนะเพราะคุณโดนแทงดอกแรกละมันซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ต่อไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอืคือเพลินแล้วเนี่ยคือความไม่รู้ตัวนะครับ นะทีนี้พอจิตเราไหลเพลินไปงั้นไม่ว่าจะเป็นทางโกรธก็ตามความโลภ ก, ก็ตามความอยากได้ก็ตามนะพอมันเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้เราจะถูกรัดรึงละมันจะแกะออกยากแล้วทีครับทีนี้ทำยังไงประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วยางนี้เราจะต้องคิดไหมหรือเราไม่ควรจะคิดคือคิดเนี่ยมันคิดได้อยู่คิดเนี่ย ค, ควรจะคิดหรือไม่คิดเราดูทีนี้ คือถ้าคุณคิดด้วยอํานาจของตัณหาอันนี้แตดไม่ควรดำอ๋อครับก็อย่นะถ้าจะคิดก็คิดด้วยอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะไม่ต้องคิดก็ได้คือในบางครั้งมันต้องคิดอนะนะถ้ามีปัญหามากระทบอย่างเงี้ยปัญหาทางโลกอย่างเช่นว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าอย่างเงี้ยมันต้องคิดหักหลบหักเลี้ยวจอดเหยียบเบรกหรือว่าจะทํายังไงคนอยู่รถเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะมันต้องตัดสินใจกระทันหันเพราะฉั้นบางทีมันต้องคิดบางทีมันจะต้อง มีการประเสรข้อมูลก็ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันจะว่าไม่คิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับใชครับหรือถ้าเราจะคิดเราต้องคิดอย่าให้คิดอยู่ในอำนาจของตัณหาเฮ่จะทํายังไงมันไม่ให้มีตัณหาอ่าก็จะต้องให้มีสติไงครับสติสติเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวที่เบรกจิตของเราเนี่ยเป็นความมข่มบังคับใจใช่ครับเนี่สติที่จะคอยเบรกไม่ให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแดนลบ แดนลบในที่นี้หมายถึงที่เป็นโลภะก็ตามที่เป็นโทสะก็ตามครับนะทีนี้ไอ้เวลาที่เรามีตัณหาเกิดขึ้นตรงเนี้ยเรามันเนียนมากเนื่องจากว่ามันมั น, ม, นมันแฝงตัวมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอวิชชามรรคตองเข้าใจนะว่าตัณหาเนี่ยมันถูกอวิชชาบาังไว้คือมีตัณหาเป็นเครื่องกางกั้น มีตระหนเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาเป็นเครื่องบังเรื่องกังบังอพออย่างนี้ทำให้เราไม่เห็นปมไม่เห็นอะไรของมันวิธีที่จะละเจ้าตัญหากะวิชาได้เนี่ยส่องแสงหามันได้แก้ปมของมันได้เนี่ยก็คือการที่เราเราปฏิบัติตามมรตมรตมีองค์แใช่ทีนี้พอพูดถึงว่าอย่างยกตัวอย่างขอ ง, ของการรักอย่างรับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย นะมีเขาทําเป็นพุฎดาบาทําเป็นเข้ออีบุตรเจ้าออกมาอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็จีดทีนี้ไม่ใช่แค่บุริจ้าพระธรรมก็เหมือนหนึ่กั น, ะนถ้ามีคนบอกว่าธรรมะไม่ดีเรากเ็เดี๋ยวนี้คนไม่มีศีลธรรมแล้วธรรมะสงสัยลาสมัยไปแล้วนะถ้าเรามีความยึดในธรรมะเราจะจีดหรืออย่างพุทธวจนะอย่างเงี้ยถ้าเรารยึดในพุทธวจนะนะมีคนบอกพุทธวจนะเป็นอย่างนี้นี้ไม่เข้าใจเลยเราจะจีด อ่าหรือถ้าเรายึดในพุทธวัชนะถ้ามีคนไม่ใช่พุทธวัชนะมาเราก็จะจีดอืมมาโลกใจนะเพราะว่านี่คือความจิตอือบยึดยึดครับถ้าคนที่ไม่ไม่คิดไม่เหมือนเราทำไม่เหมือนก็จะรู้สึกจีดขึ้นมาใช่ใช่ครับหรือเอาอย่างถ้าเรารักพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง ร, รักนี่คือหมายถึงอยู่ในอนาของตันหานะคือถ้าไม่ด้วยความมีมิจฉาเขาเรียกว่าอะไรมิจฉาสังกปะ คือ <c oughs> มีความคิดในทางการนะความปฏิบัติเปลียนเบีเ้ยคือสมมติชอบพระองค์นี้หรือพระคนนี้องค์พูดเสียงนิ่มจังเลยชอบเอพระองค์นี้พูดเทศดีจังเลยชอบอชอบตรงนั้นถ้าคุณชอบด้ยวยอำนาจของอะไรถ้าคุณชอบด้ยวยอำนาจของตัณหาันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครมาตําหนิติเตียนพระองค์นี้คุณจะจี๊ดตันดีอ๋อครับแต่ถ้าคุณมีศรัทธาด้วยอํานาจของธรรมะใช่ไหมก็คือไม่มีตัณหาเนี่ยเออคุณก็จะเอาเป็นที่พึ่ง นะทำการ 130, คุยกับในจิตของตัวเองว่าเอออะไรที่มันเป็นเราจะไม่ทาอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตรงที่พอเรารักใครสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นนะแล้วมีใครมาทำอะไรที่ไม่ดีกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเกลียดที่เกิดจากความรักความรักอ๋อครั บ, ค, รบความเกลียดที่เกิดจากความรักครับนะ <ego>. หรือก็ถ้ามีใครมาทำอะไรดีๆกับคนที่เรารักก็จะเกิดความรัก ที่เกิดความรักเกิดจากความรักเราก็จะรักกับคนนั้นเราก็จะชอบคนนั้นที่ก็มาทําดีๆกับคนที่เราชอบอย่างงี้นะอหรือว่านี่ก็คือเรื่องที่เราเคยพูดไปรักรเกลียดเกลดเกียกลดรักรักใช่ไหนมีสี่นัยยะนะความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดความรักที่เกิดจากความรักครับนะคสี่นัยะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกันตรงนี้อืมกันเออแล้วความคิดตรงนี้หมอทพงศ์ <calculation S 1> มันมันไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดอย่างเดียวนะมันเป็นอาจจะเป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้นะความคิดที่เกิดขึ้นในสิ่งของเราตรงนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือบางทีในเหตุการณ์ขับขันสถานการณ์ปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้คิดเป็นคําพูดละแต่เราคิดเป็นภาพละเราคิดเป็นเสียงละอออืเพราะฉะนั้นไอ้ตันหาวิจริตคือความคิดนึกแผ่สร้างไปตามลำดับของตันหาเนี่ยเป็นได้ไม่ใช่เฉพาะคาพูดอย่างเดียวเป็นทั้งภาพก็ได้เป็นทั้งเสียงก็ได้ ครับอือคือจินตนาการอันนี้ออกได้ในหลายรูปแบบใช่มันรัดรึงเราทั้งหมดเลยครับครับอาจจะเป็นความความรู้สึกได้ไหมฮะทางใจว่าห่วงหาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โดนสอนแทงแล้วอืมครับอ่าโดนลูสอนแทงแล้วทีนี้เราจะทำอะไรยังไงอ่ะถ้าเราทำโดยที่ไม่มีตัณหาแล้วมันจะมันจะมีรสชาติไหมชีวิตเนี้ยครับมอรู้ผมว่า ครับมันจะจืดเนี่ยเคยมีคนถามนะครับว่าไม่อยากฟังเพลงไม่อยากดูหนังไ ม, นนไม่นู่นไม่นี่เอ๊แล้วชีวิตมันยังอยู่เฉยๆอย่างนี้ออจะจืดชืดแบบเซงกระตายนะหมอท่านพูดว่ า, าไงครับก็อาจจะเรียกว่าถ้า ใ, ในในโลกของคารวานเนี่ยผมก็เสพได้แต่ว่าเสพแบบรู้ตัวนะครับบนความพอดีอย่างนี้ได้ไหมครับคืออย่างอย่างกรณีของคนที่ถูกตั้หารัด เรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้อย่างที่เราหวังอย่างเงี้ยนะสมมุติถ้าเราคิดว่าจุดชื่ออย่างเงี้ยเราเราก็เลยเพิ่มสีสันให้สิ่งที่เราครอบสิ่งที่เรารักนะด้วยการนะพูดสิ่งแบบตลกบ้างเป็นเรื่องของอาตาหูจมูกลิ้นกายหอย่างบ้างอย่างเงี้ยครับนะพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในมิจฉาสังกปะแล้วนะอยู่ในเรื่องของกามแล้วนะอยู่ในโดมเมนของกามแล้ว พออยู่ในกรณีนั้นแล้วเนี่ย เ, เราก็จะมีมีเหมือนกับมีสีสันละ่ะทีนี้พอมีจีจ๊ดเจออะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะยิ่งทุกข์หนัก<อ>นี้ถามว่าเอ๊ะแล้วแล้วสีสันที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยทีเขาเป็นสีสันเรามาั้งท่านมว่าอันมาว่าเป็นถูกเลือดสาดมากกว่า <c oughs> คือจิตของเราเนี่ยถ <c oughs> ูกมาน <c oughs> เข้ามาจับทางหูแล้วดึงกระชากออกไปฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆเลือดสาดเลย อันนี้ไม่ใช่สีสันเรามันเป็นความเลือดสาดเลือดสาดแต่สีสันมีชีวิตร่าเริงของธรรมะเป็นยังไงนั่นก็คือความที่มีความสงบระงับอยู่ในใจมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมีความร่าเริงในธรรมะอยู่ในใจร่าเริงในธรรมซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัณหาเลยไม่เกี่ยวกับกามเลยอย่างเวลาเราฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยแล้วแเรามีความฮึกเหิมเรามีความมั่นใจเรามี อความร่าเริงเรามีความรื่นเริงเกิดขึ้นเนี่ยมีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นแหละคือสีสันของธรรมะใช่ไหมสีสันในการที่จะ take action สีสันในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งนี้ให้มันสําเร็จเป็นสีสันอย่างนี้ครับอืมซึ่งก็มีตัวตัวระดับเหมือนกันใช่ไหมครับความหยาบละเอียดละเอียดมากอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวก็คือ เรื่องบางรเรื่องเนี่ยนะมันก็จะต้องค่อยๆล้าไปพูชาพูดถึงตันหาเนี่ยเพราะ<ต>ความจางคลายดับไปไม่เหลือของตันหาฟังอีกครั้งหนึง่งเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของตันหาหมายถึงตันหาเนี่ยก็ค่อยๆจางคลายไปเหมือนไหลทะเลมันอ๋อครับลาดลงลาดลงคือคือมันก็ค่อยลาดลงลาดลงแต่ตอน<ช>ที่มันยังไม่หมดเนี่ยตัวเองถูกความเคี้ยวกินอยู่ก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ครับเพราะว่าถูกความเคี้ยวกินอยู่ก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังชื่นชมในกามถูกมันเคี้ยวกินอยู่ก็ไม่รู้ตัว เหมือนคนเก่าแผลแล้วก็หนองมันก็มันเชื้อโรคมันก็มากขึ้นแมลงมันก็มาตอนน้ําหนองก็ไหลก็ยิ่งคันก็ยิ่งเก่าก็ไม่รู้ตัวออืพัฒนะเนี่ยอขอภัยตั้นหาเนี่ยมันทําให้ประสาทสัมผัสการรับรู้ของเราเนี่ยผิดบิดเบือนไปอืมเป็นยังไงครับท่าน เ, <อ>าเหมือนกับยุงกัดเนะี่ยยุงกัดครับพอยุงกัดปุ๊บมันจะฉีดน้ํายาแหไรงมันไม่ให้เลือดมันใช่ครับ แข็งตัวใช่ไหมมันก็ดูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอกสารนั้นเลยจะทําให้เรารู้สึกคันขันใช่ครับขันเสร็จแล้วก็จะเก่าเก่าเก่าเสร็จแล้วก็จะทําให้แผลมันเวิรกขึ้นมาเวิรกขึ้นมาน้ําเหลืองก็ไหลใช่ครับน้ำเหลืองไหลแมลงวันก็มาตอมแมลงวันก็ตอมก็มีเชื้อโรคมาเชื้อโรคมามันก็ยิ่งขันยิ่งขันปุ๊บก็เลยเก่าเกาเสร็จปุ๊บแผลก็ยิ่งเปิดยิ่งเปิดน้ําเหลืองก็ยิ่งมากน้ําเหลืองยิ่งมากแมลงวันก็ยิ่งมากินแมลงวันยยิิ่่งงมาากกกกกกก็็็เเชื้ออโรี เป็นวงจรเลยครับแต่เกาแล้วมันรู้สึกไงหมอละพงศ์เกาแล้วมันรู้สึกสบายนิดนึงรู้สึกนิดหนึ่งอ่าสบายนิดหนึ่งแค่นั้นเงนะครับอืมเอ่อแต่ว่าถ้าตอนที่เราไม่ได้ถูกยุงกัดเราอยู่เงียบเงียบสบายสบายแขนเราสบายสายเนี่ยเอ๊ะคุณไม่ต้องเกาแฮมันไปเกาดูลองเกาดูจะพบว่าโอ้มันแสบแฮมเออมันแสบแฮเอ๊ะทำไมเราเกาแล้วมันแสบทางที่ตอนยุงกัดเกาแล้วสบายก็นี่ไงล่ะ S <S เพราะว่าผิวหนังของเราถูกน้ํายาที่ยุง ม, มันฉีดออกมาเนี่ยออทำให้ประสาทการรับรู้ของเราพิดเบื่อเบือไปจิตของเราเหมาะนะพง์ที่ถูกตันหาแทงแล้วก็ถูกพิษคืออวิชาแผลซ่านอยู่เนี่ยทาให้ความคิดของาาเราปิดเบืนอทาให้ความคิดงาาเราปิดเบืน่นเราวางกำดักให้ตัวเราเองขุดเหวให้ตัวเองแล้วก็ตกลงไปในเหวเพราะอะไรเพราะไม่รู้วิทสตรี ครับผร้ชา่นบอกว่าคนที่ขุดเหวให้ตัวเองหลงสร้างเหวให้ตัวเองแล้วก็ตกลงไปในนั้นเนี่ยเพราะความที่เขาไม่รู้อริยสัจสถ้าคุณรู้อริยสัจสีว่านี่คือตันหาตันหาเป็นสิ่งที่ควรละคุณละเลยครับอ่าทำอะไรอย่าทําด้วยอํานาจของตันหาครับแต่ทําด้วยอํานาจของธรรมะเนี่ยทําด้วยตามอํานาจของมรรคอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะฉลาดในวารรจิตของเรามากขึ้นหมดแล้วผครับใช่ครับเอ่อแล้วก็ไอ้ตันหาเนี่ย ที่พระเชาพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยที่ว่าเป็นตันหาพูดถึงสิบแปดอย่างเนี่ยนะสิบแปดสองสาสิบหกใช่ไหมขันภายในภายนอกนะอันนี้เราพูดแค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างเองนะอใช่ครับพูดแค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างแต่พระเชาเนี่ยพูดถึงสิบแปดอย่างละเอียดมากเลยครับคือความถี่ถ่วนของอาตมาเนี่ยคือเราพยายามที่จะอธิบายเท่าที่เราพอจะอธิบายได้ตามภูมิปัญญาสติปัญญาเท่าที่เราพอจะมีเนี่ยนะครับแต่ของพระเชาเนี่ยอธิบายไว้ละเอียดมากเลยเนี่ยพูดถึงสิบแปดอย่าง เช่นมาเรามีอยู่เราเป็นอยู่เราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างอื่นเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเราเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดสิบแปดอย่างครนะอย่างแค่ว่าเรามีความคิดว่าเพราะอำนาจของตัณหาจึงมีความนึกเป็นทนายที่ว่าเรามีเราเป็นว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงหมอท่านพงคิดดูครับเอะเราคิดว่าเราไม่เที่ยงอันนี้คุณตกแนวหน้าตัณหานะอ่าอหมอท่านพงเข้าใจไหมเนี่ยอย่างอย่างสมมุติ ครับเราสมมติไม่เทียงก็เหมือนกับถูกแล้วใช่ไหมครับก็ถูกแล้วนะน่าจะถูกนะใช่ครับแต่นี่คุณยังตกอยู่ในอำนาจของตานาอยู่เพราะอะไรเพราะยังมีคําว่าเราอ๋อมีตัวเราอย่างพระองค์นั่งสมาธิไปนิ่งๆเกิดปิงขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วเียออย่างสมมุตินะเฮ้ยมันจะถูกเหรอก็ฉันนะถ้ามีฉันนี่ไม่ถูกแล้วครับเพราะอะไรเพราะพระอหันต์เนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะ S <S <S คือหอมายความว่าความเป็นตัวตนไม่มีไม่มีไม่ยึดในตัวตนครับออถามไปถามหลวงปู่ชาก็คาเคยมีการเทศระบุไว้เ อ, อพระลานเป็นยังไงท่านบอกไม่มีอะไรอืมลึกนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเออเอาแล้วเ อ, อ แ, ลวแล้วจิตมันเป็นยังไงตอนเป็นพระล้านเนี่ยไม่มีอะไรัรบลึกนะครับใช่ครับถูกอ๋อแล้วแล้วความแตกฉานในธรรมเป็นยังไง ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆเพราะมันไม่มีตัวตนแ่หมอแล้วพงศ์เฉินถ้าเรายังมีความคิดว่าฉันเป็นพระหลานแล้วแปดถูกอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วก็ก็เราก็จะยัคิดว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนในกรณีนี้เนี่ยนะก็ยังตกอยู่ในอำนาจของตันหาอยู่อืยังมีตัวเราอยู่ในนั้นทีนี้ทําให้พระรูชาเนี่ยเตือนไว้หลายครั้งไงว่าเราจเราจะเรื่องไงว่านี่เราเป็นพระานจริงหเปล่า สมสมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิไปนั่งไปบึมขึ้นมาอย่างเงีย้ยนะครับโอ้ฉันเป็นพระอรหันต์ละอเ อ, อ๊ะไอ้ที่ฉันคิดว่าฉันเป็นพระอรหนเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่ไม่น่าถูกนะเพื่อนเออ <vivre> เพราะเพราะวาพระอรหนจริงๆอเขาก็จะไม่คิดว่าฉันเป็นพ้าอรหันต์นะใช่ครับ <c oughs> คือความมีความเป็นอะไรมันไม่มีไม่มีไม่มีมันไม่มีนะเออเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเนาะ คือสมมุติว่าพระสองรูปเนี่ยนะสมมตินะหรือใครก็ตามเนี่สองคนเนี่ยนั่งสมาธิไปคนหนึ่ง ค, คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นจริงๆในอีกคนหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แต่ยังตกอยู่ในหน้าของตัญหาอยู่เนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงครับตัวคุณจะตรวจสอบตัวคุณเองได้ยังไงครับก็นี่ไงว่าถ้าเจอผัสสะอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรายังจี๊ดอยู่ไหมเรายังมีราคะโทสะโมหะฟูขึ้นมาไหม แต่ถ้ามีนี่คุณรู้ได้เลยว่าตัวคุณยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับถ้าไม่มีคุณก็รู้ได้เลยว่าฉันไม่ใช่ใชอทีนี้ว่าคุณโดนภาษาที่คุณไม่ชอบใจหรือเปล่าครับอ่าถ้าภาษาทั่ ว, วไปมันก็ธรรมาดาอะไรก็ตอบโจทย์ได้จริงครับแต่ถ้าโดนภาษาที่ไม่น่าพอใจภาษาที่มันจีดขึ้นมาอาการออกไหมอย่างเงี้ยนะรเราก็จะสามารถพยากรณ์ได้ด้วยตัวของเราเองอ๋อ ครับเป็นปัจจตังดูได้เฉพาะตนครับทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่พระเจ้าก็สามารถพยากรณ์ได้นะคือตัวพระองค์ก็สามารถดูที่ตัวกิเลสที่ยังมีอยู่รพระเจ้าพูดถึงอันหนึ่งด้วยว่าถ้าเราเรามีราคะเราก็รู้ว่าเรามีราคะมีโทสะเราก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่า ม, มีโมหะเนี่ยคือตรงนี้รเรารู้อยู่คือหมายความว่ามีสติอยู่ <hotter. S 2> แต่วันนั้นสติก็จะเป็นตัวกํากับเอาไว้ นะคือ<ช>ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอาจจะมีอยู่วบวบแวบๆแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเพราะสตินี้จะปดูกํากับว่าไม่ให้มันฟูขึ้นมาอีกอืนะคือหมายถึงว่ามีสติปุ๊บก็จะไประลึกถึงเรื่องที่ดีๆนู่นแต่ไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่บวบวบแวบๆระวังได้ระวังได้เงี้ยอืนั่นก็คือสามารถที่จะคือในกรณีพระาราหันเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสนะครับคือกิเลสไม่ได้ตายไปแต่กิเลสห่างออกไปจากเราอืมใช่ครับกิเลสห่างออกไปจากเรา ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคือที่ปอผู้เจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยนะที่เราอธิบายถึงว่าเป็น18อย่างใช่ไหมต่อมาก็ยกตัวอย่างเท่าที่ความสามารถ น, น้อยของเราพอจะยกตัวอย่างให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมีความเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะไงก็เขียนมาได้ น, นี่เป็นข้อจํากัดของของเราเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าความที่เป็นสาวกอย่างนี้นะมันไม่ได้ถูกหมด แต่ถ้าถ้าภิกษุรูปไหนบอกเอ้ฉันถูกหมดออมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องตามคำพรุทธเจ้าใช่ครับเนาะทีนี้ทําคํารพุทธเจ้าที่บ่งบอกเอาไว้เนี่ยคือตอนเนี้ยเราเราอยู่ในสมัยที่ที่เสื่อมแล้วมรพงศ์คือสวยมากแล้วถ้าเกิดมาสมัยเนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วใช่ครับพระุทธเจ้าบอกว่าการปฏิทินิทานของพระองค์เนี่ยเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของมวลมนุษยชาติโอ้คือหมายความว่าอะไร ออไม่ใช่บอกว่าคําสอนของพระองค์เป็นเป็นศาสนาแทนหรอกก็ใช่อยู่แต่ว่าไม่มีพระเาที่จะมาคอยตอบคําถามมาคอยบัญญอัอะไรต่างๆอีกแล้วนะครับนั้นมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นทางที่จะเสือเส่อมไปเสื่อมไปแต่คําสอนพระเจ้าก็ยังอยู่อันนี้ใช่อยู่นะถ้าไม่งั้นพระเจ้าจะไม่บอกว่าการปฏิทินพานของพระองค์เนี่ยเป็นความเสียหายอันใหญ่หลวงนซึ่งมันมีความเสียหายแน่ที่เกิดขึ้นนเพราะว่าสาวกในรุ่นต่างๆต่อมาก็จะมีคือหมายว่าความสามารถก็ไม่เท่ากับพระเาแน่นอน S <S ถึงแม้สาวกในสมัยพระพุทธเจ้าเองก็ความสามารถไม่เท่าพราะพุทธเจ้าแล้วนะคือเรื่องของวิมุตต์เนี่ยก็เหมือนกันอยู่ครนะแต่ความสามารถเรื่องศีลอย่างเงี้ยแหมมันไม่เท่าแน่นะความสามารถเรื่องสมาธิปัญญาต่างต่างก็ไม่เท่าแน่เนาะะอย่างพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังบอกชัดเจนเองเลยว่าก็ยังผิดอาบัติเล็กเน้อยนได้เนาะเพราะนั้นถ้าอาบัติอะไรเราผิดเล็กเน้อยนเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยก็ควรที่จะ แก้ไขอะนะทาให้มันดีขึ้นคือเราก็ไม่ได้ถูกหมดแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องถูกหมดอมนะคือถ้ามันมีข้อผิดพลาดแล้วเราก็ยอมรับที่ปที่จะแก้ไขครับแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องทําการศึกษาอยู่ต่อไปเรื่อยๆถึงแม้พระอราหันต์เองนะหมอลัฐพงศ์บางคนคิดว่าเออฉันจะนั่งสมาธิจนจะได้ได้เป็นพระอราหันต์แล้วก็จะได้ไปนั่งจิบชาสบายๆกระดิกเท้าละโอชิวๆชิวๆแล้วสบายละแต่มันไม่ใช่งันดิถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันยิ่งขยันอะ มันยิ่งข<ม>ยันเพียพราะว่าอะไรเพราะโอ้โหจิตที่เป็นอย่างนี้เ่าต้องยิ่งรักษาอย่างดีอนะืยิ่งขยัน <okay. S 2> ยิ่งทํางานยิ่งทำํงทำนู่นทํานี่มันเพื่อให้อะไรเ อ, อเพื่อให้รักษาช่วยกันประกาศธรรมะอย่างเงี้ยโอ้ความมากของงนี้มันทุกคนต้องเห็นทุกคนต้องได้มันยิ่งเรจะแบบว่ามีกําลังมีความเยน็นความประยามมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปชิวๆแล้วก็ไม่ทําอะไรไม่ใช่งั้นครับอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราปฏิบัติไปเนี่ย เราก็คอยดูว่าเอออะไรที่มันผิดพลาดเราก็ค่อยแก้ใช่หมแล้ยเนี่ยมีข้อผิดพลาดที่จะพูดถึงอยู่ครตอนที่ปานปาหมายที่พูดถึงเรื่องของโทสะนะครับที่ว่าถ้าโทสะปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะไปเจริญเมตตาเนี่ยโอ้ยมันไม่เวิร์กหรอกมาพูดลักษณะนี้แตซึ่งจริงๆโดยบทเพี้ยนชนะของเราไม่ถูกแต่โดยโอัถาของเราเนี่ยเราหมายก ว, ว่าว่ามันได้ผลน้อยแต่พุทธเาบอกว่าได้ผลอยู่อแต่พระพุทธเาบอกว่าเมื่อเจริญ เมื่อจิตเธอมีพยาบาทเนี่ยการเจริญเมตตาเนี่ยนะพยาบาทจะล้าไปใช่มเอาเพราะฉะนั้นเจริญเมตตาตอนที่จิตคุณมีโทสะมีพยาบาทอย่างเงี้ยมันต้องได้ผลแน่นอนเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือถึงแม้มันจะไม่ได้หยุดเยียบได้เลยเหมือนเบรกเนี่ยนะคือถ้าถ้าเบรกเนี่ยมันเบรกไม่ได้หยุดเย็ดตุ๊บเลยหยุดนิ่งเลยไม่ใช่คือระยะเบรกเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เมตรทีนี้ต้มีระยะกันารถอยถ้ามันมาเร็วมาก อย่างความโกรธมันแรงมากระยะเบรกมันก็ต้องไปไกลขึ้นไปนะจริงครับเพราะฉะนั้นไอการเจริญเมตตาอย่างน้อยมันก็มีการเหยียบเบรกบ้างถึงว่ายังมีการไปขจัดห่วงของความคิดที่ไม่ดีนั้นๆนั้นๆอย่างน้อยนั้นบางทีนั้นเรายังมีสติที่ทําให้คิดระลึกถึงความเมตตาได้บ้างมันก็ผ่อนลงได้บ้างนะอาจจะอย่างจากหนักมากให้เป็นหนักน้อยออจากหนักน้อยก็เบาหน่อยจากเบาหน่อยก็เป็นเบาไป จะมาไปก็เป็นหยุดได้อย่างเงี้ยยุดไม่มีมันก็อยู่ที่ระดับระดับไหนคุณมายังไงแต่เพราะฉะนั้นการทํายังไงมันได้ผลแน่ครับเพนะราะฉนั้นเราก็จึงต้องแก้ไขตรงนี้ให้ให้ทราบเอาไว้อคือเรารเกิดมาในสมัยนี้มันก็ต้องมีข้อพิพาทที่เราพยายามแก้ไขอยู่อ่ะนะนก็ค่อยๆแก้ไปนะมาว่างี้ครับแล้วการที่เราถูกรัดรึงอยู่ด้วยตันหาตลอดมาเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามแก้ พยายามที่จะหลุดออกจากช่องตรงนี้ให้ได้ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีช่องอยู่นะช่อ ง, องอที่เครือข่ายเนี้ยมันมีช่องอยู่นะเราต้องหาช่องนี้ออกมาให้ได้มันมีช่องอยู่เราต้องหาช่องออกมาให้ได้อันนี้ก็เลยจะลิงก์เชื่อมมาที่คำถามของคุณเพลินตาที่รู้สึกว่าเป็นผู้ที่หาช่องดีเหมือนกันครับก็ก็คื อ, อ คุณเพื่นต네าเ le, นี่ยสามีเน like, ี Bailey, so like you know an ่ยเคยดื <Theatre> ่มเหล้านะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือเธอก็จะนั่งเป็นเพื่อนแต่ภายหลังก็รู้ว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันผิดศีลก็เลยไม่นั่งด้วยนะครับก็รู้สึกว่าพอไม่นั่งด้วยใช่ไหมก็เลยอาจจะเกิดความขัดแย้งในครอบครัวว่าอ้าวทาไมสามีพยาการไม่นั่งตัวเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็เลยหาความสมดุลแห่งทําใหม่ด้วยการที่ว่าเอาไปนั่งก็ได้ แล้วก็ทําหน้าที่ของสามีไอ้ทำหน้าที่ของภรรยาโดยการดูแลสามีอย่างดีใช่ไหมก็จ<ช>ะกินแล้วก็เอาให้หยิบให้แต่ว่าพอกลับมาบ้านถ้ามีเหล้าเหลือก็เอาเหล้าไปเต ท, ทิ้งอย่างเงี้ยนก็เป็นลักษณะที่ว่าเาพยายามหาจุดสมดุลแห่งธรรมคือตัวเองแวดล้อมไปด้วยคนที่ทําชั่วแต่อย่างน้อยเราหาช่องออกได้แล้วก็ครอบครัวไม่แตกครับต่ตรงนี้มีช่องออกอยู่แล้วก็พอมีช่องออกนี่เราก็หาสมดุลแห่งธรรม ตรงนี้ที่พระเจ้าพูดถึงการาตามรู้ซึ่งความจริงนที่พูดถึงว่ า, าทำยังไงถึงจะกําหนดรู้ซึ่งความจริงได้คือการตามรู้ซึ่งความจริงเนี่ยก็คือว่ า, อ, าอย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ไหมทีนี้พอเราไม่ได้เชื่ อ, องั้นเสร็จปุ๊บเอ๊ะเราทำงายงไงถึงจะไปรู้ซึ่งความจริงนี้นั้นหนึ่งใน12ขั้นตอนนี้ที่พระเจ้าต่อไปก็คือการหาสมดุลแห่งธรรมอ๋อครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยใ น, นการหาจุดสมดุลแห่งธรรมะ ไม่ยังไงเราถึงจะไม่ทําผิดศีลแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นชื่อว่าสนับสนุนให้คนอื่นทําชั่วด้วยคือถ้าตัวเองทำชั่วเองแล้วชวนให้คนอื่นทําชั่วด้วยนี่ยิ่งชั่วมากใช่ครับแต่ตัวเองไม่ได้ทําในขณะเดียวกันเราก็ทําหน้าที่ของปัรญาอย่างดีในขณะเดียวกันเราก็สนับสนุนให้เขาไม่ดื่มเหล้าโดยการแอบเอาไปเทถ้ามีโอกาสพอเหมอะพอเจาะันะครับอันนี้คือเป็นการ สแสดงว่า<ๆ>ต้องอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมีความเพียรความพยายามความอุตสาหในการที่จะทรงไว้ซึ่งศีลข้อ น, นี้ครับจริงครับถามว่าทําไมคุณถึงมีความเพียรความพยายามความอุตสาหะไอ้ฉัต<ๆ>นต้องพอใจก่อนอืมอือแล้วคุณเอาเข้อมูลมาจากไหนที่คุณจะพอใจ เ, เพราะคุณใไข่ครัวเพ่งปินิดแล้วและมีการฟังธรรมะนี่ไงมีการฟังธรรมะไงไใช่ไหมใช่ครับทำให้คุณถึงได้ฟังธรรมะ เ, เพราะว่ามันอาจจะมาจากมีเพื่อนดีบ้างหรือว่า มาจากการที่เรามีศร <AM> e ัทธาในใครสักคนใดคนหนึ่งเราก็ไปหาเข้าเขาให้ธรรมะมาฟังหรือไปฟังจากพระเองโดยตรงอ่าได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บใครควรอันนี้มันดีเราพยายามที่จะสรงไว้ส่งไว้เสร็จปุ๊บเอ๊ะมันหาจุดสมนุนไม่ได้เอาพอเจอจุดสมนุนปุ๊บทำได้ปุ๊บนั่นแหละคือช่องที่เราออกมาได้อืมครับมันมีช่องอยู่นะไอ้ที่มันรัดรึงเรามากๆเนี่ยนะมันมีช่องอยู่อืมเราต้องหาช่องออกมาได้ครับที่จะหลุดออกมาจากกิเลสครับช่องตรงนี้ เราจะหาเจอเราต้องเอาแสงสว่างส่องไปคือเหมือนกับแสงสว่างคือมักแปนั่นเองครับหามีดหาอะไรที่คอยจะแหวกช่องปาดออกชําระไอเจ้าตรงนี้มีรูให้เราออกมาให้ได้ครับแล้วก็เมื่อที่เราพละตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สบายละละความรักที่เกิดจากความเกลียดความรักที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดได้ นันคือผ<ม>ู้ช่องของเราเนี่ยมรพงศ์เป็นผู้ที่สามารถหมุนธรรมจักได้นะให้คนมานับถือได้โดยที่ไม่ต้องใช้อัดยาไม่ต้องใช้ศาสตราอ๋อ ม, มใช่วมกันไม่ไ ม, ไม่แบบว่าไม่มีการาให้รางวัลหรือลงโทษอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นคนก็มาศึกษาธรรมะได้คนก็มาสนใจที่จะรู้สามารถหมุนธรรมจักได้ครับแล้วถ้าถามว่าเอ๊เราจะสืบต่อธรรมะไว้ในนี้เนี่ย ด้วยการต้องด่าว่าเหรอด้วยการต้องให้อามิตรเหรอคุณทําไม่ได้หรอกเราจะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมครับคือหมายความว่าคือคุณจะไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถข่มขี่ปรับปรัาทะอันเป็นคาสึกให้ราบคาบโดยทําได้อก็จะมาพระเจ้าพระเจ้าพระสิณที่โกศลเนี่ยเคยยกย่องพระเจ้าด้วยความที่สามารถกําจัดโจรองค์ุลิมานได้เนี่ย ด้วยการที่ไม่ต้องใช้อัดยาไม่ต้องใช้สารานะทั้งๆ oh. ที่ตอนแรกนี่พระเจ้าเป็นเสด็จที่โกศลเนี่ยจะยกทัพไปแล้วนะจะไปจัดการเจ้าองค์กุลิมานคนเดียวเตรียมทัพละครับนะคือใช้อาดยาเต็มที่เลยนะหรือแม้แต่ว่าความในคดีความในศาลอย่างเงี้ยเ อ, อ่อเห็นคนที่เ อ, อ่อแกล้งกล่าวผิดทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นะหรือว่าบางทีเขาก็พูดเสียงขึ้นมาพูดทําเสียงดังขึ้นมาเราต้องใช้อัดยาใช้อาดยามันก็ยังไม่ฟัง ย่งเง ừ, แต่ ừ, พระเ้าเนี่ยสามารถควบคุมหมู่คณะให้ได้เรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สาราอืมครับอความสามารถพิเศษครับอ่าเป็นหมายถึงว่าเป็นเรื่องของธรรมะอนะครับเอเอเอพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบ้านเราอยู่ในครอบครัวเราถ้าคุณต้องใช้อาจยาใช้สาราในการที่ทําให้บ้านเป็นธรรมะเนี่ยคุณทําไม่ได้เนี่ยกร <ừ, S 1> ณ ừ, ี<ม>คุณเพลินตาเนี่ยดีมากมเลยอย่างที่ว่าหาช่องออกได้พอดีพอดีะเราไม่ต้องด่าสามีไม่ต้องว่าสามี ในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะให้เขาลดในขณะเดียวกันบ้านก็ครอบครัวก็ไปต่อได้ตัวเราก็ไม่ผิดศีลอืม mm hmm. ไม่ต้องใช้อาดยามาร์ตโปงไม่ต้องใช้สารตรามาร์ครับเราจะช่วยประชาประกาศธรรมได้ด้วยในกรณีอย่างนี้อเราจะเป็นผู้ที่สามารถข่มขี่ปรบับบัติธรรมเป็นค่าสิทธิรับค่าไปโดยทําได้ครับะเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยกันประกาศศาสนาแล้วจะด่ากันว่ากาันว่าคนนี้ไม่ดีคนนู้นไม่ดีมันไม่ใช่แล้ว ไม่ถูกเราจะประกาศศาสนาได้เราไม่ได้ว่าจะต้องแบ่งแยกกับใครเพราะเราไม่ได้ว่าจะแบ่งแยกกับใครหมายความว่าคำสอนพระเจ้าในน้ำหมาดหลไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาผู้ศาสนาครืออิสลามอะไรก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ๋อไม่มีเป็นความจริงไม่ได้แบ่งว่าเป็นเทวดาอสูรเทพมารพรมหรืออะไรไม่ได้แบ่งอย่างนั้นครับแต่ถ้าใครมีพรรษากุณต้องมีเวทนาถ้าคุณมีเวทนาคุณต้องมีตัณหาถ้าคุณมีตัณหาคุณมีตัณหาดอกเดียวเนี่ย คุณโดนหมดร้อยแปดดอก mm hmm. คุณโดนหมดโดนมันรัดรึงหมดพอ <Yeah. S 1> โดนรัดรึงเสร็จปุ๊บยังไงมันจะแบ่งเป็นพวกมันจะเริ่มมีวาจาที่หยาบคายไร้กาศมันจะเริ่มมีอัดยามัมนจะเริ่มมีศาตราเกิดขึ้นมาครับ <Yeah. S 1> พราะเราไหลไปทางนั้นแล้วเอาเราถอน mm hmm. ถอนถอนถอ น, ถ อ, นออกแก้พิษแก้พิษแก้พิษนะเราก็คือพยายามจะหยุดตั้งแต่ตรงที่ปัสสาะนั่นเองครับ <Yeah. S 1> เราจะช่วย mm hmm. พระเจ้าประกาศธรรมจักได้ช่วยสัตว์ร้อยพ้นจากตันหาได้เราต้องช่วยโดยธรรม ครคือเราไม่สามารถเอาตันหาออกได้ด้วยการเอาตันหาเข้าไปใส่อีก <Ooh S 1> มาลงเข้าใจไหม <K r isa> คือการดาาร่ากันว่านเนี่ยคุณตกในอำนาจขอตันหาแน่นอนก า, ารแบ่งเป็นพักเป็นพวกคุณต <mac S 1> กในอำ น, น, นาจของตันหาแน่นอนพวกเธอพวกฉันแม้ในพวกฉันเองก็ยังเป็นพวกพวกของฉันของฉันแล้วก็พวกของเธอของเธอโอ้โหมันแบ่งแรงขนาดนี้เอาศาสนาพูดกันเองยังแบ่งเป็นคนนั้นคนนี้แบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ครับเราพยายามที่จะช่วยกันไงเราไม่ได้ต้องการจะแยกกับใครครับมาลงเข้าใจนะว่า เราเราไม่ได้คิดว่าจะต้องแยกใครเพราะคําสอนพระชาเป็น u เ i v e r s a l เป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอืไม่ได้มีการแบ่งแยกกันใครมีภาษามาเราเป็นพวกเดียวกันับเราเราจะต้องแก้ตรงนี้หรือถ้าคุณมีภาษามีเวทนาเราแก้ตรงนี้บเทวดามีไหมภาษาเวทนามีมีนะครับกสุนมีไหมภาษาเทวดามีมีครับคนผิวดําคนผิวขาวภาษาเวทามีไหมมีมีครับเราไม่แบ่งแยกใคร เราก็พยายามที่จะแก้ไขตรงนี้ช่วยพระเจ้าประกาศหมุนธรรมจักด้วยการที่ตัวเองเราก็พยายามที่จะหลุดออกจากตัณหาให้ได้หาช่องให้ได้นะไม่กล่าววาจาที่เป็นข้าสึกต่อกุศลธรรมครับนะทําไรที่เป็นอยู่ในขอบเขตของธรรมะคือถ้าเรารทําจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเราสูงขึ้นจิตของเราเนี่ยแมมมันจะใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอะไรที่มันจะแปดเปื้อนเป็นจิตที่ดีมากๆเลยครับในะอย่างน้อยถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้โอ้โหมัน มันเป็นจิตประเสริญนะคนประเสริญจริงๆนะครับอ่าใช่ครับถูกต้องแม่มัเหนือจริงๆนะครับเหนือเหนือเหนืออ่าอะไรกันเหนือสิ่งที่เป็นอารธรรมทั้งหมดอครับใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ดีจิตเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นแน่นอนกน้อมมารัพงนะครับเพราะในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของตัณหาร้อยแปดครับก็เต็มเต็มเลยเต็มกระสูตรเลยพอที่จะเป็นตัวอย่างให้ได้บ้างนะ เราก็ได้พูดถึงวิธีเลาะช่องาหาช่องที่จะออกมาให้ได้ก็จะมีเท่านี้มแลันมีคำถามอะไรไหมไม่มีคำถามถ้ า, างั้นถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ค่อยส่งมาก็แล้วกันส่งมาที่เพียวธรร m a c o m นะครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีครับเรียนปานกราบกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ